ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณได้นำเสนอการบำเพ็ญบา ร, รมีของพระโพธิสัตว์มาตามลาดับแล้วก็ยกตัวอย่างถึงเวลาชีวิตของบุคคลทั้งหลายในเรื่องพระเวสสันดรมาเป็นแนวคิดตัวเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วคนเหล่านั้นก็แสดงธรรมะออกมา เพียงแต่เพียงแต่ว่าแสดงกุศลแสดงอกุศลหรือแสดงคร่งที่เป็นกลางๆออกมาเท่านั้นแล้วคนตอนนั้นก็กลายเป็นกระบวนการแห่งกรรมที่อำนวยผลไปตามสมควรแก่เหตุด้านบุคคลทั้งหลายที่ปรากฏในเรื่องพระเวสสันดรเวลาพระพุทธเจ้านำมาสรุปจะดก คือในประชาติสุดท้ายในประชาติที่พระเวสสันดรมาเกิดเป็นเดวชายศิธัตถะนั้นเราเห็นว่าบุคคลเหล่านั้นจำนวนไม่น้อยที่มาเกิดเกิดร่วมกับพระองค์แต่ว่าความเปลี่ยนแปลงของท่านเหล่านั้นก็เป็นไปตามกรรมที่แต่ละท่านได้กระทมาในอดีต ก็ทำให้เรามองเห็นสิ่งหนึ่งก็คือลักษณะนิสยัยพื้นเพจริตอันตรย า, ายใสของบุคคลแต่ละค น, คนซึ่งได้กระทําสืบต่อกันมานั้นมันก็ฝังอยู่ภายในจิตสันดานในส่วนดีมากๆเขาก็เรียกว่าบารมีแปลว่าการเก็บการสะสมความดีเอาไว้ในส่วนไม่ดีก็เรียกว่าอาสวะ ก็คือกิเลสที่หมักหมมสะสมอยู่ภายในจิตของบุคคลแต่ว่ายัางไงก็ตามคนเราทุกคนนั้นก็มีครบทั้งสองประการคือว่ามีทั้งบารมีแล้วก็อาสวะเพียงแต่ว่าเรามีอะไรมากกว่าต่นนั้นคนที่มีอาสวะอยู่มาก ลักษณะนิสัยที่แสดงออกมาก็ออกมาในรูปของกิเลสแสดงอาการของความโลภความโกรธความหลงก็เด่นชัดอย่างบุคคลสองคนคือพระเทวทัตกับนางกินจามนาวิกาเราจะเห็นว่าพระเทวทัตนั้นก็ไม่จับประมาณตัวเอง ก็ไปเข้าใจผิดว่าตำแหน่งศาสดาจะปฏิวัติรัฐประหารเราได้จึงวางแผนทิยฆ่าพระพุทธเจ้าเพื่อแย่งตำแหน่งพระพุทธเจ้าแล้วเรามองย้อนอดีตไปว่าในชาติพระเวสสันดรได้ถามว่าเทวทัวตเป็นใครก็ตอบว่าเป็นชูชกซึ่งลักษณะ น, นิสัยของแกก็ไม่รู้จักประมาณ ไม่รู้จักประมาณตนเช่นเดียวกันตัวเองก็ประกอบด้วยบุรุษโทษถึงสิบแปดประการแล้วก็ใช้อาชีพในการขอทานก็ในขณะที่ถูกเพื่อนยักย่อกอทรัพย์ไปใช้จ่ายฉะนั้นก็แสดงว่าฐานะแก่ก็จนลมก็ เ, เงินที่เก็บสะสมมันหายหมด แต่ยังไม่รด้จับประมาณก็ไปขอนางอมิตรดาซึ่งเป็นลูกสาวของเพื่อนเขาไม่ขอหรอกก็คูเอาแล้วก็มาเป็นเมียเพราะตัวเองยังขอทานเขากินนะแต่ยังอุตส่าห์มีเมียสาวแล้วก็หลงเมียสาวจนถึงกับวางแผนจะหาคนใช้มาให้พอหาคนใช้แทนที่จะหาลูกคนยากจนขัดสนานาถา ซึ่งจะเป็นการสงเคราะห์แก่เขาได้บ้างก็ไปคิดจะเอากันหาชาลีซึ่งเป็นราชกุมารราชกุมารีมาเป็นคนใช้คือแสดงลักษณะของความโลภที่ไม่รู้จักประมาณตัวเองเป็นอาการโลภหลงที่ต่อเนื่องตัดตลอดกระบวนการชีวิตของแก และพอเขาได้พอก็ให้พระราชกุมรารราชกุมารีมาแล้วก็ไม่รู้จักประมาณก็เรียกว่าคนไม่คุ้นต่อการมี้าทาตปริวานคือไม่เคยมีนะครับพอมีแล้วก็จะหลงพวกเงินทองพวกอำนาจพวกวาสนาพวกชั้นยศตำแหน่งต่างๆ พอตอนนั้นก็เครืบอเครื่อไปว่าเป็นนายของราชกุ ม, มารก็แสดงอำนาจค่มคูคุก ค, ค, คามเคี่ยนตีกันมาโดยลา ด, ำดำับแล้วก็จนถึงกรุงเชตุดรพระเจ้าสุนชัยก็ให้การต้อนรับอย่างดีแล้วก็ถ่ายถอนพระราชนาดาทั้งสองเอาไว้แล้วก็เลี้ยงดูช่ยโชคอย่างดีตนปลื้อยอย่างดีเอาอีกแกก็ไม่รู้จักประมาณ แล้วก็บริโภคอาหารจนตายไปเลยก็แสดงว่สาสาวสันกำนันในก็คงพยายามที่จะปรนปื้อพนาวพนออกโอกจอีปอยอ ก, กันไปจนาการสรวประวังแลวเอาสังเกตฮะเส้นทางของชูชกนั้นเป็นเส้นทางของคนโลภหลงตลอดแล้วพอมาเกิดเป็นพระเทวทัต หรือตอนที่พระโพธิสัตว์บังเกิดในสวรรค์ชัน้นรุสิทธิ์มันก็ไม่ได้บอกไว้นะฮะว่าเทวทัตไปเกิดเป็นใครแต่แเราเทียดชั้นกันในสมัยพุทธกาลก็ไม่ใช่ธรรมดาเพราะว่าเป็นพระจชกุมารที่มีศักดิ์ศรีเท่ากันกับเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะอันนี้คือเราเห็นกระบวนการของกรรมมันเกิดสะท้อนกระบวนการของกรรมออกมาให้เห็นชัดเจน ต้งองฟังนึกออกนะฮะว่ากรรมที่ท่านแสดงถึงลักษณะาการให้ผลของกรรมคือเรามองไปสู่อนาคตอย่างเดียวเราลืมมองที่ชาติปัจจุบันคือชาติเนี่ยที่ตานเรียกว่าทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมคือกรรมให้ผลในชาติปัจจุบันอุปปัชชะเวทนิยกรรมกรรมที่ให้ผลในชาติต่อไป แล้วก็อ布拉ประเวทนิยกรรมกรรมให้ผลในชาติสืบๆไปคือหมายความมาตั้งแต่ชาติที่แต่ละชาติที่หนึ่งสมมติชาติปัจจุบันในชาติหนึ่งชาติที่สองและชาติที่สามไปแต่ถ้าเรามองย้อนเข้าไปสู่อดีตก็จะเห็นว่าชีวิตของเราก็อยู่ในกระบวนการแห่งกรรมเรามีกรรมที่ให้ผลในชาติก่อนกับชาติก่อนๆติดตัวมา แล้วในาขณะเดียวกันเราก็ทำกรรมในชาติปัจจุบันซึ่งก็อาจจะให้ผลในปัจจุบันส่วนหนึ่งแล้วก็ยกยอดไปให้ผลในชาติต่อไปกับชาติต่อๆไปซึ่งก็หมายความว่าในกระบวนการกรรมกรรมเหล่านี้ไอกรรมประเภทที่ให้ผลในชาติต่อไปเช่นกรรมที่เราทำเมื่อชาติที่แล้ว ก็ตามมาให้ผลกับเราในชาตินี้การที่เราทําในชาติก่อนโน้นก็ส่วนหนึ่งก็ตามมาให้ผลในชาตินี้และการที่เราทําในชาตินี้นก็ส่วนหนึ่งก็ให้ผลในชาตินี้เพระาะการเกิดในราชกุลของพระเทวทัตก็อาจะเกิดขึ้นโดยการกระทาความดีมีสมมาคา ร, าราวะต่อบุคคลทั้งหลายคนอื่นนะยกเว้นพระโพ ธ, ธิสัตว์ แต่ว่าถ้าเราเห็นระยะหลังโดยอาเซวณะปัจจัยก็ดีโดยพื้นฐานจิตใจของท่านก็ดีนี่จะอ่อนไหวกับอารมณ์คือโลภอยากได้ต่างๆซึ่งลักษณะจะต่างกันมากเช่นสิทธัตถราชกุมารเมื่อตอนพระชนพรรษาสิบหกพรรษานั้นไม่สนพระไัยผู้หญิงจนพระเจ้าสุโธธนะเป็นห่วงว่า ถ้าขืนปล่อให้เป็นอย่างนี้สิทธิษฐะก็ต้องออกพนดก็ต้องจัดพิธีประกวดผู้หญิงโดยให้ท่านพระราชทานรางวัลให้แต่ก็ท่านนั่งแจกรางวัลเมื่อก็ผู้ใหญ่แจกขนมเด็กไม่ได้แสดงความสนใจสาวงามเหล่านั้นที่เข้ามารับรางวัลเลยนั่นก็แสดงว่ากิเลสประเภทกรามรมมารค่ะในมันน้อย เมื่อไม่มีความรักมันก็ไม่มีความชังก็ทาให้พิสูจร์เห็นได้ว่าท่านไม่พอใจยินดีในราชสมบัติก็แสดงว่าไม่มีความโลภในราชสมบัติจนถึงกับจะลองนึกภาพดูนะฮะว่าท่านอยู่ในวังตั้งแต่อายุสิบหกจนถึงยี่สิบเก้าก็สิบกว่าปี สาสันกำนันไหนมากมายไก่กองก็น่าจะมีพระโอรสเยอะแยะไปหมดเลยไม่มีมีพระโอรสหรือเพียงองค์เดียวแล้วก็ประสูตรในปีที่ประชวรพันษายี่สิบเก้ายนั่นก็แสดงถึงการลดละจางคลายของกิเลสภายในประไทยแต่พอเรามองดูเท ว, เ ท, วทัศแล้วก็จะเห็นชัดเจนว่า ความโลภหลงก็ท่านนี้เข้มข้นเรื่อยแล้วก็กลายเป็นความริษยาอาฆาตเบียดเบียนปนระกอบกรรมต่างๆที่ไม่น่าเชื่อว่าคนคนเดียวเกิดมาชาติเดียวทำความชั่วได้ขนาดนั้นนั่นก็คือแสดงว่าไอ้เบื้องหลังภายในจิตใจของราชกุมารสององค์เนี่ยมันห่างกันมากเลยชีวิตของพระเทวทัตซึ่งอดีตชาติก็คือชูชกมันมากไปอาสวั ในขณะที่ชีวิตของสิทธาราชกุมารคืออดีตพระเวชนร น, นะฮะมันก็มากไปด้วยบารมีแม้บางอย่างมันจะเหมือนกันแต่ในที่สุดจะไม่เหมือนกันอย่างที่เราพูดกันว่าคนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันเพอะเบื้องลึกภายในจิตใจของบุคคลเหล่านั้นเนี่ยมันต่างกันแม้นคนจะอยู่ในสภาพแวดล้อมเหมือนกันแต่ว่าเบื้องลึกมันต่างกันยังไงยังไงก็เหมือนกันไม่ได้ เราเห็นกระบวนการของกรรมกระบวนการของอาศสวนณปัจจัยในการคบหาสมาคมกันพูดง่ายๆว่าคนกับสิ่งแวดล้อมเพราะในกระบวนการพัฒนาชีวิตมนุษย์ที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเราก็จะเห็นชัดเจนว่ามันมีองค์ประกอบในอนดีตยอยู่ด้วยแล้วสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตเป็นตัวเสริมหรือเป็นตัวบันทอดก็ทรงแสดงในลักษณะเสริมเคยลรงสังเกตว่าหกข้อแรกการไม่คบผ่านการครบบัณฑิตการบูชาผู้ควรบูชาการอยู่ในประเทศที่สมควรนั้นก็แสดงให้เห็นว่าบัณฑิตก็ดีคนผ่านก็ดีผู้ควรบูชาก็ดีประเทศที่สมควรก็ดีเนี่ยมันมีอยู่ก่อนเราเกิด เพียงแต่ว่าเราเข้าใจไหมล่ะเรามองเห็นคุณค่าของบัณฑิตมองเห็นคุณค่าของผู้ที่ควรบูชามองเห็นคุณค่าของท้องถิ่นสถานที่ที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้เรามีความเจริญก้าวหน้านหรือไม่และก็ส่วนหนึ่งเมื่อต้องอาศัยุูเพกระตะบุญญาตาคือบุญที่เรากระทำไว้ในการก่อนมันสร้างแนวโน้มสร้างอัทยาศัยสร้างความสนใจ แล้วในสุดก็เบี่ยงเบนชีวิตของท่านบางคนก็พลิกหน้ามือเป็นหลังมืออย่างเจ้าพญาโยมาราชปั้นสุขุมคือเป็นลูกชาวนาเมืองสุพรรณธรรมดาธรรมดาเลยก็เพียงแต่ว่าพ่อเขาพูดเล่นกับพระที่ไปเทศเมื่ออยากจเจ้าลูกชายบูชากันเทศ ท่านก็เกิดติดใจเอาจริงขึ้นมานะหนีตามพระรูปนั้นมาอยู่กรุงเทพซ่อนตัวมาใต้เรือนะแต่ท้องเรือแอบลงไปอยู่แล้วก็อยู่แต่ท้องเรือไปโผล่เมื่อจะถึงกรุงเทพแล้วในที่สุดก็ทั้งสองฝ่ายก็ตกลงก็ให้เด็กอยู่เรียนหนังสือมารวดเร็วจนเป็นมหาแต่หนุ่มๆเป็นที่สนิทสนมคุ้นเคยของเจ้านายโดยเฉพาะกรมพระยาดำรงราชานุภาพ แล้วต่อมาก็เป็นหมาปั้นศึกไปก็จะเดิญก้าวหน้าในราชการจนเป็นถึงผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นถึงเจ้าพระยานั้นก็แสดงให้เห็นว่าไอ้ตรงเนี้ยมันก็เป็นผู้เพกระตาบปญญาตาสถานที่เกิดท่านไม่ดีอะประอยกลางทุ่ง แต่ท่านก็ปรับเปลี่ยนมหาบัณฑิตมาบูชาผู้ควรบูชาแล้วก็พยายามตั้งตนไว้ชอบด้วยระบบการพัฒนาตัวเองตามมงคลชุดที่สามในมงคลชุดที่สามนั้นที่จริงก็เป็นปัจจุบันกรรมแต่อย่าลืมว่าผูเพกะตะปุญญาตานั้นเป็นอดีตกรรมแลการตั้งตนไว้ชอบนั้นก็อาศัยแรง กรรมทั้งสองประการคืออดีตกรรมด้วยแล้วก็ปัจจุบันกรรมด้วยการเขา้าหาสมาคมกับคนต่างๆที่เป็นคนดีแล้วก็มาส่งเสริมสนับสนุนเราด้วยแล้วในที่สุดก็ทําให้ประสบมงคลสูงขึ้นไปได้ด้วยลาดับที่เรามองนางอมิตตดาคือถ้าดูนิสัยใจคอสมัยที่เป็นนางมิตตดามันก็ไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ เมื่อพ่อแม่ไปทำผิดก็พร้อมที่จะทดแทนบุญคุณพ่อแม่ก็ดูก็ดีนะครับแล้วก็ตอนที่ปฏิบัติทำหน้าที่ของสา ม, มีจนพินที่ฤทธิ์ไม่ใช่ทำหน้าที่ของปัญญาที่ดีแม้จะสา ม, มีจะเป็นคนแก่รุ่นปู่แล้วก็ตามจนปีติฤทธิ์ยาก็นามพรามณีทั้งหลายก็ดี แต่ที่น่าคิดก็คือว่าตอนที่ผัวจะหาคนใช้มาให้เนี่ยมันเกิดอยากจะได้ชาลีกันหามาเป็นคนใช้พก็แสดงเห็นเรื่องความไม่รู้จักประมาณตัวเช่นเดียวกันเลยสุดบรนปลายของชีวิตเธอจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะฮะเราะว่าโชยชกไปตายแต่ที่กรุงศรีพีตัวอยู่ที่แคว้นกาลิงคราชนะฮะไม่ได้อยู่ที่กรุงศรีพีไม่ได้อยู่ที่แคว้นศรีพี ก็ในชาติในพุทธกาเนี่ยเธอก็มาเกิดเปน็นนางกินจะวันวิการรูปร่างหน้าตาดีก็แสดงว่าในส่วนที่เป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยเธอคงทำมาเยอะเหมือนกันแต่พอปัจจุบันนั้นมันพลาดคือความโน้มเอียงภายในใจที่ว่ามีอาสวะอยู่เยอะเนี่ยคือไปคบหาสมาคมกับพวกนิครนพวกนัก บ, บวชชีปเปลือยทั้งหลายเนี่ย แล้วก็ถูกพวกนักบวชีเปลือยเหล่านั้นซึ่งริษสยาพระพุทธเจ้าก็จ้างให้มากล่าวหาใส่ร้ายพระพุทธเจ้าเธอไม่ได้มีความรู้สึกอะไรกับพระพุทธเจ้ามาก่อนความโกรธความคิดเบียดเบียนต้องการทำลายเกียรติยศชื่อเสียงพระพุทธเจ้านั้นเป็นเรื่องที่ถูกปลุกปั่นมาแต่รับเชื่อง่ายนะฮะจะลองสังเกตว่าคนเราถ้า พื้นฐานบารมีดีพอคุณธรรมสำนึกดีพอเนี่ยคือก็ใช้มากล่าวหาพระพุทธเจ้าอย่างนั้นตัวเองเป็นกุลสตรีด้วยนะฮะไม่ทำหรอกแต่แสดงว่าเธอรับเชื้อได้ง่ายคือเชื้ออาสวะภายในใจของเธอนี่มีเยอะรับได้ง่ายแล้วก็พยายามทำ ทนี้มาดูลักษณะนิสัยของของบุคคลรอบอื่นจะพบว่าแต่ละคนเนี่ยอย่างนายเจตบุตรให้เจตบุตรที่เป็นพรานนะแต่เจนว่าในพุทธการก็มาเกิดเป็นนายชนะก็เป็นคนรับใช้ใกล้ชิดแต่ก็สร้างปัญหาให้เยอะเหลือเกิน นะตอนนำเสด็จออกหนวดนั้นกลายเป็นเงื่อนไขสาคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้ท่านประยองลำพอ ง, ต, องตัวเองก็ถือว่าเป็นค่าเก่าเตาเลี้ยงเป็นคนรับชใช้กายชิตของพระพุทธเจ้าพระบัวก็จริงท่านกระด้างโดยมานะไม่ยอมรับนับถือใครแล้วก็ดือดึงนะคือท่านเชื่ออยู่คนเดียวจะพระพุทธเจ้า พระเจ้าบัญญัติอะไรเนี่ยท่านจะไม่ละเมิดเลยแต่ถ้าคนอื่นแล้วไม่มีทางเลยขนาดพระสารีบุตรประโมคค า, านะเนี่ยท่านยังไม่กลัวเลยท่านบอกว่าพวกคุณนี่ยเป็นใครพวกคุณรู้ไหมว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นลูกเจ้าของเราแต่ตอนพระลูกเจ้าเสด็จออกผนวดเนี่ยก็มีเราคนเดียวสาริบุตรโมคคารนะเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้ พระธรรมพระรูปเจ้ากนเราก็จะรู้มาพรนพุทธท่านทั้งหลายมันก็เหมือนกระเศษสวะานลอยน้ำติดริมตะลิง่งใหญ่โตเลยอ้ยกว่าจะแก้ไขประชัดหน้ากันได้เนี่ยล้างพระพุทธเจ้านิพพานนะเห็นไหมนิสัยท่านก็คล้ายๆกันสมัยเป็นเจตบุตรก็มีความกลัว แล้วก็ไม่ค่อยฉลาดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพอพระพุทธเจ้าเสด็จนิพพานก็ปรากฏว่าบรรลุพระโคดิพพานได้เร็วอันนี้ก็คือเรื่องของของกรรมที่มันแยกกันให้ผลส่วนพวกกิเลสก็ไปให้ผลไปทางหนึ่งส่วนกุศลก็ให้ผลไปทางหนึ่งทีนี้อย่างอะไรล่ะท่านอาจุตตาบทเนี่ยก็ได้เป็นภาษาริบุตร หือความโน้มเอียงเนี่ยมันเป็นนักบวชไปในต้นเราสร้างลักษณะนิสยัยที่ให้ใส่ใจสนใจในการที่จะออกบวชธรรมาชาติที่เป็นอุปติสสะมานพมันก็สนใจในเรื่องการออกบวชเช่นเดียวกันทศกะเทวราชก็มาเกิดเป็นพระอนุรุษคือทศกะนั้นไม่มีปัญหาใดนะฮะคือก็มาช่วยมาช่วยแก้ปัญหาให้ตลอด แม้แต่อาสมเองก็ต้องส่งพระวิศนุกรรมมาช่วยสร้างให้แล้วก็ให้ปอนก็ประจำช่วยเหลือช่วยเหลือตั้งแต่นอนอ่ะพระนางพุทธดีมากว่าลักษณะนิสัยก็แปลกอ่ะเือพระอนุรุตนั้นเขาเรียกเป็นคอนข้นขังละเอียดอ่อนมากเป็นราชกุมารแต่ละเอียดอ่อนเป็นคนที่มีบา ร, รมีสูงก็เรียกพวกเทวดามาเกิด ขนาดคำว่าไม่มีนี่ท่านยังไม่เคยได้ยินเลยละเอียดอ่อนขนาดนั้นนลนะเล่นพนันกับเพื่อนพนันขนมกันตัวเองแพ้พนันจนหมดส่งคนไปขอขนมจากแม่แม่บอกว่าขนมไม่มีท่นไม่รู้ท่านก็สั่งให้คนใช้ไปบอกบอกว่าเอาขนมไม่มีนั่นแหละแม่ก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงก็ ถาดเปล่าคลุมผ้าขาวส่งมาให้ลูกชายเปิดดูปรากฏว่าบารมีเทวดามาเกิดเทวดาต้องเอาขนมทิพย์มาใส่ให้ตกลงว่ากินขนมทิพย์จนจนบวชนี่ก็คือคือเรื่องที่เราจะเห็นอย่างหนึ่งว่าไอ้พวกกรรมพวกเขาเรียกว่าอธิมุตอัธยาสายัยพื้นเพจริตอินเซอะไร ต, รต่าง มันจะอยู่ภายในจิตเป็นคุณภาพจิตวิญญาณของมนุษย์ซึ่งอย่างไรอย่างไรเราก็แตกต่างกันแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องที่เราสามารถจะแยกแยะแล้วก็สามารถจะพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งอดีตเนี่ยถ้าหากว่าขาดการเชื่อมต่อเนี่ยมันเสื่อมได้นะ มีที่เสื่อมไม่ได้อย่างเดียวก็คือเขาเรียกว่าพวกปัจจิมาภวิกษัตร์คือสัตวที่เกิดมาในภพสุดท้ายจะต้องบรรลุมรรคผลเป็นพรานในชาตินั้นพวกนี้จะไม่เสื่อมแต่ถ้าหลังจากนั้นมาแม้แต่มีบา ร, รมีจะเป็นพระนาคาสกิราคานาคาเนะี่ยถ้าไม่เจริญกุศลเพิ่มขึ้นไปเรื่อยปล่อยการเวลาผ่านไปแล้วก็เสื่อมก็บางครั้ง ก็จะไม่ได้อะไรเลยนะฮะแม้แต่สีนห้าก็เป็นเรื่องที่น่าคิดมันก็ทำนองคล้ายๆกันหนังสือทนังหาที่เราเรียนเนี่ยมักคงจกเรียนต่อกันไปดีเลยเพื่อสามารถใช้ประโยชน์จากหนังสือเหล่านั้นได้ก็ตามสมควรแก่กรณีต้องฟังทงั้งหลาย แตพธิานในวันนี้ขอยุติไว้ได้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไบูบณ์ในธรรมจุมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี